26. การเตรียมตัวเพื่อข้ามพบข้ามชาติสงครามข้ามพบข้ามชาตินี้ดุเดือดมากเพราะเห็นทุกขเวทนารุนแรงมากถ้าไม่อดทนเข้มแข็งสุดท้ายจะทนมานไม่ได้คุณงามความดีทั้งหลายต้องทำทั้งทานศีลเพื่อลดละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความดีทั้งหลายจะช่วยเรามากนาทีสุดท้ายต้องเสียสละมากขนาดยอมเสียสละชีวิตได้ต้องฝึกเอาไว้ให้สู้ตาย